พวกเราอาจจะสังเกตหรือ เ, เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องลาธทําทนองนี้ก็คือว่าคนซึ่งมีความขยังขันแข็งมีความเสียสละทํางานเพื่อส่วนรวมเรียกว่าทุ่มเท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 ก็เป็นคนดีเหมือนกันก็เป็นคนทำงานก็เป็นคนที่มีความจริงจังจริงใจเหมือนกันก็เรยว่าดีทั้งสองฝ่ายแต่ว่ากลับอยู่กลับกลายเป็นคนละพวกโตวแยงกันทะเลาะกันหรือทางานด้วยกันไม่ได้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 อันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเป็นที่เป็นข่าวหนระแต่ว่าก็ก็พูดกันในหมู่คนที่ทำงานใกล้ชิดคุณดินจะรุวันแล้วก็จะรวมคุณจำลองเข้าไปด้วยทั้งมติกล่าวมาก็เรียกว่าเป็นคนที่สังคมยอมรับเรีว่าเป็นคนที่มีต้นทุนทางสังคมสูงยอมรับนักถือหรือว่าชื่นชม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 นั่นนี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่น่าศึกษาว่าคนดีด้วยกันทำไมถึงทำงานด้วยกันไม่ได้ก็ประเอเมื่อวันสองวันก็ได้อ่านบทความเขาเขียนถึงคนในตำนานคือกวนอูเขาอธิบาย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 ของบ้านเมืองให้มีความสุขสาราบปรามจนผูไลอจยกากรรมไม่มีการลินาทานเล่นกลู น, นูก็อยู่อย่างสมัตทํางานด้วยความแรงขันแข็งเรื่องความสื่อสัตนี่ก็รู้เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วแต่ว่าก็เพราะเนื่องว่าตัวมีคนสื่อสัตแล้วก็เพราะว่าผู้คนเอลบพรักนับถือกลูนูก็เลยเป็นคนที่มีความ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 ลูกสุนักจะมาคู่ควรกับลูกนักจัสีหรือก็ทําให้ศุนย์กลวนมีความแค้นแล้วก็หาทางที่จะจัดการกับกวนอูทาหน้าที่ของเบงกะเตือได้แล้วว่าต้องให้สามาคีกับศุนัขกวนเอาไว้จะได้ร่วมมือกันต่อสู้กับโจโฉได้ แต่ว่าคนอูนื่งจากมีความามีความมั่นใจตนเองมากแล้วก็อาจจะมองใครได้ไปกับตัวเองหมดหรือเพอว่าคือดูถูกคนื่อนไปนหมดว่าไม่ดีเท่าตัวเพราะฉะนั้นก็เลยสร้างศัตรูเอาไวเ้เยอะ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 เริ่มมีความกินหนังแข่งใจนะซึ่งกันและกันมากขึ้นก็ทำให้อยู่ด้วยกันได้ยากจนต้องกลายเป็นปฏิ ป, ปักษ์กันคนรุ่คนละฝ่ายก็มีอันนี้นก็เป็นอุทาหอให้อย่างเป็นอย่างดีนะสำหรั บ, ส ำ, รบสำหรับเราว่านะในการทำความดี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 แล้วก็ดูหน้าศรัทธามากในแต่เสียงโน้ออยกยอมรับเลยเสียงโนยังผงผางพูดจาผงผางนะแล้วก็ไม่รู้ไม่จักแสดงไม่รู้เรียกว่าไม่รู้จักเก็บความรู้สึกไม่มีท่าทีที่ที่ประนีตถ้าตอนที่เป็นเจ้าจะพ้น พ, นพน้นี้เรียกว่าเรียบร้อย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 เป็นผู้ซึ่งทําการล้างผ่านประเทศชาติได้อย่างน่ากลัวมากอันนี้พอทิสต์นั่งในเรื่องคอมมิวนิสต์แล้วก็ในเรื่องความเชื่อว่าตัวนี้ขาวสะอาดบริสุทธิ์การทําอะไรก็ตามก็เลยไม่มีความสงสัยไม่มีความไม่ิยไม่ตั้งข้อสงสัยในการกระทําของตัวเองเลย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 เราก็รูวมมันไม่ดีแต่ห้ามใจไม่ได้เมืองพวกปิดยาพวกโกงบ้านโกงเมืองพวกนี้ก็าจะรู้ไม่ดีแต่ห้ามใจไม่ได้เพราะว่าเงินทองหรือว่าสิ่งเสพติดมันมีเสน่ห์เย้ายวนมากลึกๆก็อาจจะรู้สึกผิดแต่ว่าอันนั้นยังไม่ลุเสนอ์ความย้ายวนนั้นมันไม่ใช่อุบายที่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 เป็นนักปฏิบัติทำอยู่แบบเรียบง่ายเว ก, กวื่อเฟืองเพคุณผู้อื่นเป็นคน Nice ใไม่เป็นที่รู้จักมากของสังคมแต่คนที่ ไ, ไกลชอบคุ้นเคยแต่ว่าไม่เอาไม่เอากับเรื่องสังคมอะไรเลยใครเขาจะเดือดร้อน ย, ยังไงก็ไม่สนใจ แม้กระทั่งว่ามีปัญหาวุ่นวายเกี่ยวเรื่องาศาสนาก็ไม่เอาอย่างที่มีมรดิ์ปฏิบัติทํากลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่หญๆเล ย, เยตอนเกิดปัญหาเรื่องกรณีธรรมกายก็ไม่สนใจก็บอกว่ามันปล่อยให้เป็นเป็นเป็นกรรมของสัตว์ไปเองในคนเหล่า น, นี้เนี่ยไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว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 มันแย่ยูงง่กับารวาธรรมดาหรือย่อยกับปฏิบัติธรรมและย่อยูงง่กับคนทั่วไปที่เขไม่ปฏิบัติธรรมคือ oui, เราปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องต้องมีภูมิคุ้มกันที่มากกว่าซึ่งหมายคําว่าต้องกล้าที่จะไปเชิญกัำลังเสดทานได้ที่แรงกว่าได้หรืออย่างน้อยกล้าที่จะเชิญกำลังเสดทานที่เท่าๆกับที่ชาวบ้านที่ไม่ปฏิบัติธรรมเ ข, เขาเขาเชิญ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 ความกลัวที่ใจนี่จะเพิ่มหรืออ จ, จะเป็นความหลงตนอีกแบบหนึ่งว่าฉันเป็นผู้ที่ละแล้วต้องการแสดงตัวว่าฉันเป็นผู้ที่สละแล้วเปลี่ยนไปด้วอุเบกขาอันนี้ไม่ได้หมายควาว่าอุเบกขาไม่ดีนะแต่ว่าบางทีอุเบกขามันที่ทำขึ้นก็เป็นอุเบกขาที่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 พูดกันเท่า น, นี้พอสมกับการเวลาจะพัก้อกั น, ก น, กนอมตะสมสัรพระโธิ์ภูเาพระพลังดาวผีวายเตสุ瓦าโตพระโาลาตังธรรมโนนัมันนั่ สุกติปโนภาภวโตสาวาสังโตสาวังมันนม